ฝึกแพ่เมตตาส่งพลังความสุขผ่านฝ่ามือจะทาโดยธนภัทรถาวรพัชรีมาลาวงข้อนี้จะเริ่มเป็นการฝึกเพื่อให้เกิดประสบการณ์อุทิศบุญกุศลหรือส่งสุขให้ญาติโดยทั้งคุณและญาติต่างร่วมรับรู้ว่าไม่ใช่แค่รู้สึกไปเองฝ่ายเดียว แต่มีพลังสว่างเกิดขึ้นจริงๆถ่ายทอดสู่กันได้จริงๆบุญที่แรงขนาดก่อให้เกิดความปีติแห่ซ่านได้นั้นมีพลังถ่ายทอดไปให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยได้เสมอฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำบุญใดสำเร็จทั้งในระดับทานระดับศีลหรือระดับเจริญสติก็นำมาใช้ฝึกแบ่งปันให้กับญาติได้ทุกครั้ง วิธีที่ต่างฝ่ายต่างจะประจักษ์ว่าพลังบุญมีจริงไม่มีอะไรดีกว่าการอาศัยสัมผัสถ่ายทอดความรู้สึกธรรมเนียมของคนไทยที่ไปทำบุญพอกลับมาพบบุคคลนั้นเป็นที่รักก็มกักเอ่ยดื้อว่าเอาบุญมาฝากนะหรือเล่าประกอบสั้นๆว่าไปทำอะไรมาซึ่งผู้ฟังส่วนใหญ่นึกภาพบุญไม่ออกหรือเสพอารมณ์สุขในการทาบุญได้ไม่เต็มที่ จึงไม่ทราบว่าตนจะพลอยได้บุญไปด้วยท่าไหนอย่างไรกันเมื่อนักเผื่อแผ่บุญอีกพวกหนึ่งขยับวิธีเผื่อแผ่จากการบอกเล่าอย่างเดียวมาเป็นสัมผัสด้วยมือคล้ายมือมีบุญแปะอยู่และเข้าใจว่าถ้าเอาบุญนั้นมาป้ายต้นแขนหรือหัวไหล่ของญาติมิตรญาติมิตรก็จะพลอยได้รับส่วนบุญไปด้วยอันนี้บางกรณีญาติมิตรก็รู้สึกดีแต่ส่วนใหญ่ มาอดสงสัยไม่ได้ว่าแค่แปะเดียวจะมีบุญไหลามาเข้าตัวแล้วจริงๆเหรอที่ถูกที่จะเอื้อให้เกิดการถ่ายทอดอารมณ์บุญผ่านสัมผัสได้จริงๆคุณต้องประนีตคือข้อที่หนึ่งระลึกถึงความสุขจากการยื่นถวายข้าวของสังฆทานแด่พระหรือถาดขนมนมเนยให้เหล่าคนชราหรือเด็กอนาถา หรือระลึกถึงความชื่นใจปลอดโปร่งโล่งอกที่รักษาศีลได้สําเร็จหรือระลึกถึงความชุ่มชาเย็นซ่านอันเกิดจากการสวดมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธิเจริญสติกระทั่งบรรยากาศณจุดทำบุญกลับมาปรากฏอีกครั้งรอบตัวคุณความสุขอันเป็นเครื่องหมายของบุญนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นสุขล้นเ อ, อ่ออย่างที่หลายคนเข้าใจเอาแค่ความรู้สึกแห้งสะอาดปราศจากกิเลสสกปรก ตลอดจนความรู้สึกอิ่มใจที่ได้ปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้รับเท่านั้นก็นับว่าใช้ได้ข้อที่สองหลังจากนึกออกแล้วเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นในตอนแล้วก็ควรเปล่งวาจาแบบเต็มปากเต็มคำพูดถึงความสุขด้วยความรู้สึกเป็นสุขให้ผู้รับฟังชัดๆเช่นวันนี้ไปถวายสังฆทานที่วัดมา มีความสุขมากขอให้เราได้ความสว่างจากบุญทั้งหมดร่วมกันนะข้อที่สเมื่อกล่าวเสร็จให้เอาสองมือของคุณไปกลุ่มมือเดียวของญาติไว้โดยให้ฝ่ามือสัมผัสฝ่ามือแบบไม่แน่นเกินไปไม่แผ่วเกินไปฝ่ามือจะเป็นจุดสัมผัสที่ชัดเจนหรืออีกนยัยยะหนึ่งเป็นประตูรับกระแสบุญที่กว้างใหญ่กว่าจุดอื่นของร่างกาย หากคุณอวุโสกว่าก็อาจสัมผัสที่กลางกระหม่อมได้เหมือนกันหลังจากนั้นครู่หนึ่งอาจไทยถามว่ารู้สึกถึงอารมณ์สุขในบุญที่คุณได้ทำไปด้วยไหมหากเขารายงานว่าเหมือนมีกระแสพลังความสุขไหลผ่านฝ่ามือเข้ามาที่ภายในและคล้ายในอกเอิสุขขึ้นมาก็แปลว่าพลังบุญของคุณถ่ายทอดถึงเขาได้จริง ไม่ใช่แค่อุปาทานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปัจจุบันการถ่ายรูปทำได้ง่ายใครๆก็ใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือเก็บภาพมาฝากโดยสะดวกคุณอาจให้ญาติปล่อยปลื้มด้วยการเห็นรูปเครื่องของที่ใช้ทาบุญของคุณไปด้วยจะก่อนหรือหลังเปล่งคำบอกเล่าก็ได้เพื่อร่วมอารมณ์บุญชัดขึ้น ฝึกแพ่เมตตาส่งพลังความสุขจะกทางไกลหลังได้ความรู้สึกเชื่อมั่นจากการถ่ายทอดอารมณ์สุขผ่านฝ่ามือให้กับญาติแล้วก็ขยับไปฝึกในสิ่งที่ยากกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งและขั้นนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจเต็มร้อยว่าจะสามารถอุทิศส่วนกุศลให้ญาติได้ในภายหลังจากชีวิตของเขาหาไม่แล้วจริงๆ ขอให้ตกลงกันไว้ก่อนว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณบำเพ็ญบุญกุศลจนเกิดความรู้สึกปราบลื้มมากๆคุณจะนึกแบ่งปันให้เขาพลอยเข้ามาร่วมรัศมีความสุขนั้นด้วยกันและเท่าเทียมกันกับทั้งขออนุญาตโทรมาเช็คภายในนาทีเดียวกันนั้นด้วยว่าเกิดผลสำเร็จแค่ไหนอย่าถามอะไรเช่นได้รับบุญไหมเพราะเขาจะนึกไม่ออกว่า อาการรับบุญต้องเป็นอย่างไรบุญหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ให้ถามอย่างชัดเจนว่าตอนเนี้ยลอยมีความสุขไปด้วยไหมซึ่งเขาจะนึกออกทันทีว่าคุณมาด้วยอารมณ์ประมาณไหนคำตอบที่ได้รับในช่วงแรกๆอาจจะเป็นว่าไม่รู้สึกอะไรเลยหรือเพิ่งจะรู้ชัดๆก็ตอนได้ยินเสียงคุณบอกเล่าอยู่นั่นเอง ขอให้ทำเรื่อยๆไม่เกินสิบครั้งจะเหมือนมีสายใยเชื่อมความสุขอันเป็นบุญเป็นกุศลบันดานใจให้เขาพลอยอนุโมทนากับทุกกิริยาอันเป็นบุญของคุณเสมอไป